ใจฟังเหมืนหลยญาติโยมก็ตั้งใจฟังผมตั้งใจฟังนี่มันจําได้ดีถ้าห้องกตั้งใจฟังจะจำบ่อยแล้วก็พยายามฟังอย่านอนง่วงหลับง่งนอนหอตั้งใจฟังเพื่อจดจํานำเอาไปปฏิบัติมันก็ได้ประโยชน์ตัวประโยชน์การฟังเทศคือหัวจําได้ผุเนี่ย เขาจำได้เพื่นบอกแล้วเขาเอาไปปฏิบัติเพื่อตัวประโยชน์ของมันอย่างที่เพื่นว่าอย่าเที่ยวกลางคืนนะเนี่ยเขาฟังแล้วโอ้เพื่อนบอกว่าบอให้ที่กลางคืนเล่เขาก็บอไปที่กลางคื น, นอย่าเล่นการพนันนะเนี่ยเขาฟังจําได้เพื่นบอกบอกให้ไปเล่นการพนันเล้เขาก็บอเล่นบปเนี่ยมองไปอย่าเกลียดข้างการงานนะเนี่ยเพื่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนขยั น, นเหมนอน อย่าคบคนพาณ์นนัะ่คือคนซัวน่ะไม่อย่าคบคนซั่วคนพาณ์นะเขาก็บอคบคนซั่วคนพาณนะ์อย่าไปดูเขาเล่นการพ น, นันนะเขาก็บอไปดูไม่มีเท่านั้นที่สื่เพียงเขาจําได้อั น, นแต่ว่าพูดได้ไม่ทําไม่มีประโยชน์เกิพูดลอยคําแสนคำํคำมืำ่นคําล้านคําก็ตามเลยสู้การกระทำเพื่อเดียวบุได้เป็นว่ากันพ่อแม่เขาสอนแต่ว่า การฟังดีแล้วการให้ทานดีแล้วเมื่อนี้ก็ต้องซีโทษอีกตื่มเพราะว่าอาตจจิเรตมาไว้ยฟังเือเดียวนี่ก็ได้เมื่ออื่นก็ที่เดินทางที่แรกก็ว่าที่ยู่ลงกันนไะปต้องขนาบซีโทษอีกการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการไปตักบาตรจังหันเทนก็ดีเพื่ออย่างเพื่อให้ห่าวลดละจากขวมตัว เล่นการพานันเพื่อเป็นของโบดีโบสเชนลินเบียร์ลินไพร์อันเดียวเดินซื้อเลขกันไปเล่นการพนันเนี่เอาใกล้ชนใกล้ไปก็เล่นการพานันเนี่ยโบ <c oughs> เมร์ธรรมดอน่ยพอเหงควนควรก็จะลงแข้งลงขากันมาเฉพาพอตัวใดจิสนะตัวที่แท้กันแต่ยุทเสียงขานเนี่ยเมื่อไหรที่แพ้จิสนะลงขาพดังเล่นการพานั น, นบุนนนนคคลจากกันพ เ, นนะนะนเนรพราะว่มีนคนเวาให้ขนาดนี้บัดนี้เวาวให้กันแจ้งๆสิเนี่ยโบดีอันนี้ย มันเป็นทางที่นําผมโซ้หรือนำขมกินหายมาให้เลาอันนี้อันนี้จะเข้าใจกันดีบันนี้เขาเฮ็ดบุญเหมือนเฮ็ดบุญเฮ็ดบาปกระได้ได้บัดขันบเป็นบุญมันบึกเรื่องกับเป็นบาปแล้วเฮ็ดบุญอันนด้เป็นบาปอาจารย์มเจ้าฝั่งเขาเฮ็ดบุญหาว่าบุญมันดีคันกินเล้าได้ดีวอกบุตีแล้ปัญญาวันนี้เฮ็ดบุญถ้าไปเอาเล้ามากินเถอะเนี่ยกินเล้ากันเถอะเนี่ยบุตีได้ไหันน เดินการพานันกันเถอะ เ, เ, เนี่ยบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดบาปเด่นหนึ่งเอาคี้เป็ดปลาังขี้ไก่อะไนี่เจ้าของว่าสิไปหาน้ำเย็นเกิดไปกินน้ำกรดอันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยทว่าให้ฟัง น, นี่ยยาเฮ็ดอย่ า, างไรท้ายเฮ็ดอยงนั้นมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธสอนให้เฮาเลิกละจากสิ่งเหล่านี้แหละเข้าวัดฟังธรรมทุกมือทุกวันก็าตามไปตักบาตจังหันเทียทุกมือก็าตามหักบบเลิกละอันนี้กร ประโยชน้อยที่สุดแทบจะไม่มีเลยหรือบางทีว่าโดยตรงบ่มงงีแล้วมันจิงได้บาปํามในมนุนย์บาปก็เปว่าให้บุดีในนี้พูนว่าอย่างสั้นเนื้อกับเนือกับตัวกับจิต ก, กับใจตั้งต้นซีิดไม่การเดินทางกันหม่อย่าไปเดินทางเส้นเก่าจะคือเก่าละแต่เพียงคำพูดอันเนี้ยเดินทางเส้นไม่อยางไรหองคอเคยเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแล้วต้องเก็บดูกเล้านี่ผิดแน่นอนก็ะเดะ อันนี้เอาขี้เป็ดประลังขี้ไก่อีกเตมแล้นี้กันดะมันเขากระท o n เดียวกันนี่ทำอิดว่าเจ้าของเฮ็ดบุญย่างลินเดียร์ลินพายอยู่บนเนี่ยยังกินเหล้าเมาสุรากันอยู่แล้วแล้วเฉพาะเอาเก็บอยูเรากกันเติมสองซันนีเเเน่เอาขี้เป็ดลางแล้วพ่อโบอ เ, เอาะขี้ไก่ประลังอีกตติมเจ้าโบเจ้ามันจะไม่ขี้หมูขี้หมาไปลางเติมได้ขบาดนี้มันขิ้เป็นอยางอยาัไรใชงว่าให้เข้าใจเรื่องเฮ็ดบุญถ้าเฮ็ดโบถูกบุญมันเป็นบาปบาปคือขุมโซ่ บุญอื่นไก่อะควมซัวนั่นแหละเป็นแบบบาปบุญคือยังบุญละคือมันสบายใจเมื่อนี้เนี่ยข้ะเจ้าไว้ฝั่งนอนอยู่ขาเจ้าบีบแข่งให้ข้าจะบีบแข่งให้ไผ่พูดจำไว้ได้วสำซ่างแหละเป็นคนนบ้านเฮาเฮ็ดบุญผูดว่ามีเงินมาเลี้ไถ่ขาเจ้าเงินจิซื้อข้าวกินกับอยางยากอยู่แล้วจีซื้อซื้อเสื้อซื้อผ้ามานุ่งกับยังยากอยู่แล้วเมื่อจีซื้อน้าปลามากินกับยังยากอยู่แล้ว ยังไปรีดไทยข้าเจ้าออกไปให้คาหมอลำานี่ยบาปได้หนี่งเด็กนี่แหละคนทำเหล่าใด้สเบียดเบียนตนเองและคนอื่นเไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเีไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเอาเห้บุญหมด น, นั่นบวมแม่นคิดแล้วเลยแสดงว่าเขาเสื้อควมพ่อควมแม่ค่มปู่ขม่มย่าขมตาคนใหญ่เสื้อผู้นามาจากก่อนนันเอ ผู้นาํามาแต่ก้นนั้นหลงก็มีเลยผิดก็มีเลยโตมากยังได้ีดใใ่เฮ็ดไปตามอารมณ์โบแมนนี้เจ้าพ้นมาการเป็นผู้นําหาคนดีคนบุ ด, ดียเอามานําำเจก า, าบัวบัวห้าบจัวจำยเหาอยากไปเสื่อไ ง, ไง่ายๆพ้นให้พิจารณาคนจีเสือ่อให้มีเฮ็ุมีผลถ้าหากบุเสื่อโดยเหตุโดยขุนโบแมนนี้พ้นว่าโตเ้าวา์สันทควษมพอใจนี่ พอใจในทางที่ดีด้วยในทางที่ซั่วคันพอใจในทางที่ดีก็ดีพอใจในทางที่ซัวก็ซัวด้วยเงินเท่าดหร่เขาจะว่าหกสิบาทไปให้ค่าหมอลำเขาเอาก็นเงินละลอยโบได้บ่อยเมื่มีได้ไปยืมผู้อื่นมาให้นี่ดีบ๊บหมุนจ้องสัตวนั่นแหละพินาศจิบหายเอาคี้เป็ดไปลางขี้ไก่กระบอกจออกที่หมูไปซ้ําที่หมาไปซ้าไ ป, ไปล้างกันกรเพิ่มเขาเพิมเขามันยิ่งเหม็น เมนแล้วน้อยอย่างเรพอใส่สองเมนเข้าไปใส่สามเมเข้าไปใส่สี่เมนเข้าไปได้เนี่ยคนน้ำเมนคนนึงดว่าเจ้าของซองน้าเย็นหน้า ม, มันมีสองกาะพอได้ไปเปิดเนื่อว่านน้ําเย็นเนื้อเกิดไปใครน้ํากดเอาน้ํากดมากินมักั ด, กดท้องกัดไส้เข้าไปเนี่ยมันเป็นบาดเป็นแผลมันนำ้ำน้ํากดนี่ถ้ากินเข้าไปมันทําให้หัวตายเงี้ยกันมีเือก เสื้อถึกผ้าเสื้อผ้าเปลือกกรมีนี่เพิ่นวายจังสันอันนี้เพิ่นว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกข์ไว้ให้หลานเพิ่นว่อันนี้ทําผิดไว้ให้ลูกเนี่ยทํำบนไ ม, ม่ให้หลานอันนั้นเพิ่นวาจังสันให้หู จ, จักว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกข์ไว้ให้หลานทํายังไดมันดีทํายังไดมันทุกข์ไมยให้หู จ, จักแต่เพิ่นวยนี่ก็คือกันละเจ้ากรก็ได้บูหูจักเออเคยเฮ็ดอยู่ละ ทำบุญแล้วก็เก็บดุกเล่าเอาไม้ค้อนตอกปอกแตกแตกนี่เฮ็ดกันร้อนอ่ะมันผิแต่ว่าเพราะบุญหัจักเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี่ค่อยหัจักแล้วค่อยบุเหตุกับมูเจ้ามูเจ้าเหตุค่อยกบฮาแต้ค่อยทำบุเห็ุน้ำเมษบุญบ้านบุญเหินค่อยๆกับบให้จี๊ดมากบุนบุรีเป็นอย่างนั้นแต่ค่อยๆนึกว่าจี๊มากบุนบุรีให้เจ้าหัวไอ้จัวให้ผู้เท้าผู้แก่ไปฟังเทศฟังธรรมนึกว่าได้บุญบนญบุญเมษ เขาว่าซื้อซื้อได้ปะกิเลศให้หลักกิเลศของหู่จักกิเลศบอสบ่งหุจักรู้จักกิเลศว่าไม่ยั้งกิเลศเขานี่ว่ามีเงินหลายๆตึงกิเลศนี่นเขาใจผิดคนมีเข้าหลายๆมีกิเลศตรงนีน้มีเสื้อมีผ้าหลายมีกิเลศบ่แมนอันนี้เขาใจผิดมันจีนไม่กิเลศยังไงอยากได้คุณหาเอาสนวะเขาได้ยินบอ า, าถ้าหากทำบุญฆ่า พญานิมพิสารกับนางวิสาขานี่ยเราเา น, รนี่ยมโนเนี่ยว่าเป็นบุญนะท่นเป็นอปปโมกลนะ่านเนี่เพราะอย่างเป็นว่าแห่งดเวนเล่าหนึ่งการพนันหนึ่งเป็นแห่งดเวนถ้าบบงอดเวนในสิ่งเหล่านี้บ่ได้แล้วก็มีข้อห้ามบว้างท่าน น, นะ ม, มีแม้ที่โบมีอย่างไดเ อ, อ๋เห็นไหอะที่นาท่านโบให้รักของผู้อื่นนะั่นเป็นวาน่าน กามเม่ในประพฤติผิดในกามโมสามาให้โกโหกกันสุราไว้ให้ดื่มน้ำเมาเนี่ยอ้าววันนี้ว่ายมุ่เจ้าฝังซื้อหักกันเก้งผัวเมียกันอ้ายน้องกันให้ได้ไปพ่อกับลูกอาอพ่อลูกแม่สามคนหักกันใส้เดินกระเป๋าเดียวกันพอดีเข้าไปในวงการพนันตั๊บเอาเปรียบกันเลยพอ่ อ, อก็ต้องเอาเปรียบเม่เม่ก็กกต้องเอาเปรียบลูกลูกก็ต้องเอาเปรียบพ่อเป็นแม่นี่ ไว้ใจกับพระพุทธเจ้าจีวะห้ามการพนันทุกประเทศทุกประเทศได้บุษจิตสพอเทลินเบียรลินไทยได้เนี่ยพอวานี่แม้ดูแค่งมาแค่งเลดมัดไห้วเป็นการพนันมัดเพิรนให้หมดเวรอันนี้เพราะว่าเพิรนห้ามแล้วเพิรนห้ามแล้วเร<ม>ื่องเล่าบนเ น, าาเนี่ยเพิรนกับวาตุสุลานี่เพิรนกับว่าห้ามแล้วเนี่ยเฮาว่าไมนบุญบอหมู่จ้าไปรับสินเป็นสินบอขันว่างสิโอ้ยเฮ็ดมาแต่พอเต่็ม่ มาลบล้างขนมทำเนียมมาจีดีบ่เอ้ามันบุดีก็ล้างก็จีดีอยัา ง, งขนมทำเนียมของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตามันบุดีก็คุณเตี้ยนแตงสนวากันย่าวัดอพัฒนาอันนี้อันนี้แหละคนเอิญพัฒนาคันพัฒนาไปใ น, นทางผิด บ, บ่เอ้าพัฒนาเาไปล่นเบีย้ยล่นไผ่ บ, บ่เอ้าพัฒนาไปขี้รักขมยบ่เอ้าพัฒนาไปกินเล้ากินยาบ่เอานี่พัฒนานี้พัฒนาได้ก็กินมักอยงไใน พัฒนาให้เป็นคนขยันมั่นเพียร น, นี่เอาอันนี้พัฒนาให้คนรู้จักดีรู้จักซั่วเอาอืนีน้พัฒนาแบบเ น, นี้ยโง่ให้มันหนีไปให้มันสลาดเอาพัฒนาขมซัวให้มันหนีไปเอาขมที่เข้ามาเอาพัฒนาทุกให้มันหนีไปให้บุญทุกเขเ้ามาเอาอันนี้ทางสันพระปิจจสัตว์ใ่ว่ า, าพระปิจจสัตว์ของจริง โบไม่กี่สอนเพื่องโง่เพื่อเงาไม่ยังหนึ่งสอนคนงโง่ให้เป็นคนสลาดพระพุทธเจ้าโบาได้ไปสอนพระอาหารหันต์เดยมีบ๊อบพระพุทธเจ้าสอนพระอาหารหันต์โบมีเดยสอนพุทุสนร์นี่แหละให้เป็นอาเดียบุคคลว่าสอนคนงโง่ให้เป็นคนสลาดคนวันแล้วคนมีสิมีทรรพระพุทธเจ้าสอนบ่กสอนสอนหนักสอนหนาเลยสอนคนกำลังทำซัวพูดซัวคิดซัว ให้เขาเลิกลาจากการทำซัวการพูดซัวการคิดซัวมาทำคุณดีความงามพูดดีคิดดีนี้พันวายยังสัน้นพันสอนอยังสี่สอนให้คนกำลังมีทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่นั้นให้จังสั้นมันทุกข์ให้จังซี่มันทุกแก้ทุกข์ให้เขาอันนั้นต์พระพุทธสอนหนักส น, นะสอ น, นะสอนจนหมดลมหายใจนี่พระพุทธสอนแค่หามานี่ก็คือกันโบว่ายยัง เนีย่ยพอไว้ฝั่งซื่อเนี่ยบว์มันห้ามเดยหามว่าห้ามโบว์ให้กินให้ทานมันฝั่งทีดหนึ่งเข้าใจทีดบวให้กินให้ทานกับเมีนให้กินให้ทานกับเมีนว่าจไงนะกับเมีนพอเป็นเรื่องสมมุติที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทานเสื้อทานผ้าทานเงินทานทองให้ว่าอมิตซาบูซานี่แหละทานตั้งแต่พื้นดินพี่ซอสอา์กาลิธาผมพุ้นพระพุทธเจ้าก่อนอย่างบวได้ซื้อว่าทานบวได้ซื้อว่า เขาใกล้พระพุทธเจ้าบัวได้ซืเอว่าปูสาพระพุทธเจ้าผลว่าการทานธรรมย่อมสนาฐานทั้งปวงการทานธรรมเป็นการทานอย่างสูงสุดในพุทธศาสนานี้ผลว่าทานอันใดได้ท่านหนึ่งทานข่มด่าเขาเขาเรียก ว, ว่าโธสะทานข่มโลภเรียก ว, ว่าลกของเขาอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ใช่เหตุผลผลว่า ทานควมหลงมันหลงพิษทานมึดซะนอกจะให้าทานควมยึดมัน่นถือมันกูเป็นพ่อมึงกูเป็นแม่มึงกูเป็นปู่มึงกูเป็นย่ามึงสู้ว่าเกิดเมื่อวานนี้อย่ามาสอนกูบ่แม่นพิษทานให้เขาเดีลูกสอนพ่อก็มีพ่อสอนลูกก็มีปู่สอนหลานก็มีหลานสอนปู่ก็มีฟังฟังแล้วมันมีเหตุมีผลต้องเอาไปป ฏ, ฏิบัติเพื่อว่าจังสัน ทำให้พุทธศาสนาเจริญบัด น, นี้เขาทำบุญให้ทานเนี่ยพ่อปเทศบริลัมขาจ้ใเ้ชรกรินสุดที่นางวัตะเมธานังอาสารวคยวหังหหัวตุข้าพเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพเจ้านี้จงถึงซึ่งควงรดองสันดานท่านกล่าวว่าพระนิพาน ในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเนอสาทุธรรมชาวะคนอย่างน้อยต้องสามสี่รอยคนแบบ น, นี้เนี่ยพอกระถาญาติโยมมาที่นี่อยากได้สวรรค์ใช่ไหมครับอยากได้ n i พ v a n ใช่ไหมครับเอาใครต้องการตายเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาเป็นเสียงเดียวกันมื่อีกตึมเ น, นี่ยมันเป็นล้าคนมันเข้าใจเทศยดแล้วอยากได้สวรรค์ n i r v a n นี้ก็อยากได้มีเป็นเสียงเดียวกันมื่อยากได้สวรรค์เนี่ย ที่ตายเดือนนี้ก็ได้ในพานเดือนนี้ตีอ น, นาคตแต่ว่าจังไหนว่ะมิจัดอีกตืมโมเอาอีกตืมเนี่ยมันเข้าใจพิดเขาก็เข้าใจผิดกี่เลิกจังไหนจังสันสวัสนีพานจังไหนจังสันอันเนี้ยพูดว่าขันยักง์ายสวัสดีพานโตเ ม, มตือ่อตายแล้วมูเจ้าตัก บ, บานรมืออื่นเฝ้าทีบบา่า ต, ต, ตายรถบโเป็นอย่างเช่นน้อยแต่จังหันแล้วห้าปาจังหันขึ้นไปฮอดกูมารจันนิยขนยักษ์ที่ตายรถได้สวัสด์ทันทีรถมันเข้าใจพิด สวรรค์คือคว่มบทหกตาเบ่งอันดีหูฟังอันนวนดังดมอันหอมกินอันแสบนุ่งเสื้อนุ่งผ้านิ่มนวลนี่เป็นอันสวรรค์สวรรค์จึงอยู่ในอกนรกจึงอยู่ในใจขันมันทุกข์เพื่อนอันนรกนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินมูอเจ้านั่งอยู่นี่เป็นยังไงที่ใจปกติแมีนบอกปกติอันนี้พนว่าเสยเสยปกติกับเมีน อุปเปกขาก็แมนเนี่ยเป็นอุป เ, เปกขาพนมาวางเสยฟังอน่ยพอวาวซื้อๆเนี่ยอันนี้แหละเป็นวันิีน่ผ่านพระพุทธเจ้าอยู่ใส่ที่เห็นบอกพระพุทธเจ้าในอินเดียพูนะ่าบางคนโบได้ไปสเน่ไปอินเดียว่าไม่ยั้งเต็มเืองเลยก็บรได้ไปหอดบางคนที่ไปอินเดียได้จังไหนไปอินเดียมันทั้งหมดจะได้ขึ้นรถยนต์เนี่ยหรือบางที่จีนมีกับบุหุจักเนี่ยพอบุหุจักนี่ยที่เป็นรถไฟที่อาจีมีอินเดียนะยายนโบมีสํารถไฟก็ได เดี๋ยวนี้อาจจะมีก็ได้พวกอเขจัดทัวร์แต่โดยมากเขาไปเครื่องบินนี่บางคนเขาบอกว่าเห็นโฆษนาบินพุนซำเานี้มันจึงห้วจักเครื่องบินไปยังไดไปซื้อตัวเครื่องบินโดยวิธีใดจึงบุหัวจับซ้ามันจึงไปเห็นพระพุญเจ้าอยู่พุนบัวขันยักเห็นพระบุญเจ้าให้เบิกตัวเฮานี้ดังนั้นศาสนาจึงไปว่าคําสร้างสอนของทานผู้รู้ว่าไน โตศาสนานั่นคือโตคนโตพุทธศาสนานั่นคือโตชีวิตจิตใจเป็นไหอันโตพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเขาอยากเห็นกับเบื้องนั้นหนึ่งจิตใจสะอาดสองจิตใจสว่างสามจิตใจสงบสี่จิตใจบริสุทธิ์ห้าจิตใจผ่องใสหกจิตใจว่องไวตัดสินอันนี้และนิพพานปั๊บลดอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าปั๊บลดเป็นว่าเพราะจิตใจผ่องใสมู่เจ้านังอยู่นี่ นี่น่จิตใจสงบแล้ว น, นี่นี่มีแล้วเมื่อใดที่เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้นกันเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นแสมเห็นสีเห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วอ น, นันใจเขาหลอกเขาได้น่เพราะนว่าจิตใจคนนี้วอกแวกกอกกลับได้ไว้ดุดมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับกนให้จิตยนต์หมุนมาแต่ในทางข้างดี ถ้าปล่อยให้จิตใจหมุนไปในทางข้างกีดทำที่มีก็าจะหนีจากนายหายสูญอะทำเข้าขับงำข่มระยำสำบูญกัปีน้นปอกหลอกต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะว่าทำความรู้สึกตัวอันรู้สึกตนะัวนั่นเป็นยอยัางยุจิวาสะติก็ะไดจิว่าดิญญานรู้ก็ได้เอาแต่จิวาแนี่เป็นเรื่องสมบูรณ์ว่าบ้านเาแต่รู้สึกตัวนั้นทีแทนรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจ ลู้ตนรูตัวสิวพ่อแม่มึงจะลืมตัวเด้อเนี่นว่าเดี๋ยวนี้เขาลืมตัวบอกลืมตัวเด้เอาสวรรค์ตัวหลังกายตายแล้วการตายแลวว้วอะผิดได้เนี่เฮ็ดอาหารมื้อนี้เนี่ปรุงไว้าจากสามเื้อวื้ออยาไปกินกระบูกแล้วนะแล้วเฮ็ดซานนี้ซานน่าอยา่กินแต่มันมีสิได้ในโลกนี้เอาโบเสื้อไปเฮ็ดลองมือกระได้นี่นย่ะพ่อบอกข่มจริงขันบอกข่มจริงโอ้ยผิดแล้วบนเร่องคำสอนของพระเจ้าสิเอาพระเจ้าสอนอย่างไหน พระเจ้าตายไปแล้ว450ปีคุณนนอะอย่างนด้สังคายนาคัางที่5ทีอย่างนด้เขียนไว้เอาบัด น, นี้ถาม บ, บึงนี่เนี่ยถามผู้ใดเนอะที่มีอายุโมอมอดเอาเหี้ยมอายุจากปีแล้ว52ปี52อ่ามากไปอยู่นะเอาอันนี้อายุจากปี <c oughs> 40มากเลนะเลยเอาคุณอันนี้อายุจากปีม4ครับเ <c oughs> ยี่สิบสี่จับไปได้อายุยี่สิบปีนะพ่อเธ อ, อยังไหมยัยงยแม่ยังไหมหม อ, อพ่อแม่สอนคําแรกที่สุดจําได้ไหมให้อยังอยู่จำได้เนี่ยอายุยี่สิบกว่าปีก็จําบอดอันนั้นสี่รอยห้าสิบปีจากสุ ข, ขุดอายุแปดสิบปีนะอายุแปดสิบปีตายใ ห, นนยหย้วันได้ไปเราโมดูสี่ร้อยห้าสิบปีบันนี้ตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ยังจําบอดได้นี่นะมันนี่กี่ประจําได้ยังไงยังสั้น แต่อย่าไปทำลายเอาไว้หั่นแหละเพื่นว่าอย่าไปยึดไปถือแต่ยึดไปถือในทางที่ผิดหนิงกับทิตขันผู้หู้มาสอนอ้อยแล้วกันเนี่แล้วกันใจอ้อนม้อยเข้าไปเลยว่าจิตใจหดหููจิตใจเมองจิตใจอ่อนแอจิตใจเงื่งาจิตใจเลวไหลจิตใจอ่อนเพียโอ้อจิวา่าเสินกาวาเรื่ของเรื่องสมมุติจิตใจบวกเข้มแข็ง ห้าห้าวามีคนมาว่าจีรักขี้แอบฝังคนนเว่าจะไดนแปลกแปลกหูได้อีตาเนี่ว่ามันจริจริงบ่อนพิจารณาเบื้องบนเนี่ยคว่าสวรรค์อยู่ในสันปาเมื่อพ่อแม่กูตายไปแล้วเมื่อเห็นเคียนหนังสือมหากูเพิ่งก่นได้เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอย่างนี้ก็อีพ่ออีแม่เนี่ยสั่งกูบ้นอ๋อก็คิดทั้งทันทันคนมีปัญญาอันนี้ขันบอกแล้วมันลบล้างประเภทนี้มนเอาอีกกลิ่นละพ่อแม่ตายบ้นเนี่ย แก่พอเขาให้พ่อให้แม่กินเ<า>นี่ย น, นี่คิดผิดเนี่ยพ่อได้เห็ุมาแล้วเรืองบุญพ่อจตโง่เด้บ่มีคนมาว่าให้ฟังเนี่ยอยู่ที่มืดมันก็ต้องมืด อ, อยู่แต่คนอยู่ในร้ำคันมีผู้มาว่าให้ฟังต้องเปิดมุงออกมาอย่าอยู่ในมุงเปิดออกมาเปิดประตูออกมาอย่าสุกปิดตัวไว้คันปิดตัวไว้ บ, บ่ได้เห็นเพนเน้คันอยู่ในมุง่งบ่ได้ออกมาเห็นเพลเน้อยู่ในมุ่งที่เห็นหลงังคามุ่งบ่ลูกทรงของมุ่งเป็นยังไดเห็นบ่จ้อยบ่เห็นแล้วเนี่ย คนว่าจยางสันแต่มุมนั้นมันดีอยู่แล้วกันเฮงกันยุงได้คนนึงแต่กันเหงือบดได้กันมุดบดได้มันเข้าไปอยู่ในถ้ามันเป็นยังมันมืดขันผู้ได้มักหลับตากันไปอยู่ดีแล้วแต่ว่าได้ประโยชน์จากไหนขันยางไปบดถึกเลือดกับจุกหิวตายทรัพย์คนว่าจยางสันขันมีคนมาเราต้องฝังพ่อแม่เหาเจ็บไครได้ป่วยนี่นะ ยังสมมุติเอาเอ า, เ อ, าอนยาคอเนี่ก็ได้ป่วยมาแล้วไปใส่มาใส่ลูกยากนางยากไปแล้วลูกเต้าลูกหลานเอาเขาออ้าวอ่นอนอาหารดีๆทำฮอนๆกระบอกฮอนหลายแล้วก็ดีกินข้าวสะพก อ, อ่นแม่แม่ก็จิ้เข้าวเมียนโอ้ยแม่กินโบได้แม่บบสบายเอาไว้ให้เลดลูกอ้ยเนี่ยแค่ามากโบอีแม่ห ย, ยุดยาโบพอเออเนี่ยะเกี่ยวมาให้แม่หอกโบาจากน้อยก็เหนื่อยเป็นว่า แต่พกก่อพ อ, อก็เออมวลไม้พ่อมาจากน้อยโด้ยสูบเข้าไปเป็นยังได้พอไหมเออสี่มีแฮตจากน้อยตายซ้ำเขาจริงนะมันยังมดตายอังคำมากของยานั้นบ่ไม่มีเรียงซื้อเท่าใดยาพ่อหัวจากเลิกแต่มือนางเจนเท่ามือ น, นี้ยาพ่อบอ่าวหาจ่าฮอดนี่จ่าฮอดไหมยอย่างพลเอกินเลศกิเลศพันห้าตันหาลอยแปดคนมาเกิดขึ้นอยู่ใสเกิดหนึ่งอดีต สองเกิดในอนาคตสมเกิดกับปัจจุบันหุจักอดีตบูุ่้จักอนาคตรบร่หุจักปัจจุบันบ่หุจักเป็นยังไดอดีตก็เมื่อวานนี้แล้วปัจิุบาไดอนาคตได้กับมือ่ออื่นคนแล้ปัจจุบันนี้อยู่กำลังนั่งอยู่นี่เด็กเนี่ยแน่นยวนบัค ก, กี้เล่คือขยอยบ่เห็นเป็นอย่างขาว่าอ้นคนตายเฟืองคนเป็นอามาพาตตายครึ่ง น, นึงแล้วคันตายเข้าไปห น, นักหนัเข้าไปตายมดสีบิดลูกเดียว เนวาจังสันเดยว ฟ, ฟังธรรมะที่มันบูรหุจักคนตาเดียวเขาเอื้นตาบอดคนหูเดียวเขาเอื้นหูหนวกแต่ตาสองตาหูสองหูแกเป็นนิมาคาแล้วมันตายเฟื่องเลยเพิ่นว่าอย่าเป็นนางสันเขาฟังให้มันมีสติปัญญาเพป็นว่าจังสันเป็นว่ากิเลสพันห่านั้นหนึ่นนงเกิดขึ้นในอดีตพันหา้าเอืน้นห้าร้อยเกิดขึ้นอนาคตห้าร้อย เกิดขึ้นกับปัจจุบันมันอยากให้อยากทำเดี๋ยวนี้เนี่ยห้ารอยกิเลสพันห้าสามห้าสิบห้าโบมีนสามห้าสิบสองเนยพันสามห้าสิบสองโบมีนเน้สามห้าจี่ว่าพันห้ากิเลสพันห้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้โบม่นเกิดขึ้นที่ซิ่อื่นซิ่ก่อยู่โบมีนมาเกิดต้นแต่พอ่อแต่แม่พ่อแม่สร้างไว้กรรมเก้ากรรมไม้นี่มันมันเข้าใจผิดก็ดีอยู่แล้วอันมันหลอกไว้ คือพนวาจ่าอยู่พิบาลได้ยินซื้อจ่าอยู่พิบาลนด้ซื้อก็บวิญากไปมอแล้วนเนี่ยมันย้านก็ดีโยุ่งให้เข้าใจว่าไทยบ่ามาซอยห่อได้ซอยได้แต่เหาให้ดีกับเห็ดสัวเท่านั้นปัญหาลอยแปดแตยังไงเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นกับปัจจุบันอดีตเกิดขึ้นห่อไดอดีตเกิดขึ้นสามสิบหกเมื่อวานนี้เกิดสามสิบหกอย่าง เมื่ออื่นนี่เกิดสามสิบหกอย่างเกิดในเดือนนี้เขาบุงจักสิ่งสามสามเก้าอนี่สามสิบหกอะสามหกสิบแปดอนี่สามสามเก้าเก้าสิบสามหกสิบแปดเอาซินั้นมาใช้นี่เป็น1อยนึกอเป็นแปนเปานอืนว่ากิเลตผ่นห้าตันหา1อยแปดเนว่าอยู่นี้บมไม่ไปศึกษาบนอื่นดอกคันว่าอยากได้บุญนั้นให้หม่เจ้าทำามรู้สึกตัวนี่ บุญมากที่สุดคือคนรู้สึกตัวบาปมากที่สุดคือบารู้สึกตัวบารู้สึกในอดีตบารู้สึกในอนาคตบารู้สึกในปัจจุบันนี่เองถ้าเรารู้สึกปัจจุบันนี้แล้วขวบมือกับเจะค่อยหายไปหายไปขวบบารู้กับเจสค่อยหายไปหายไป เมธีขมรู้จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อวตอเกิดงานปัญญาขวมหูแจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเป็นว่าจังสรรคล่วงภาวะเดิมยังไดสัญญาพอนึงญาพอบดสูบบุลีเจ้าขยันพ่ติดบุรีบดสูบเลิกรถแค่มากดูยา ญ, ญาพกกระบอเอาแต่ด่านคนญาพกกระบอจังด่าขันด่าค น, นาด้าพอย่าง้งด่าศาสนาด่าพระพุทธเจ้า นั่นนั่นอย่าไปเหตุอยางันเป็นหลักของคนไป็ลักเนี่ยเป็นหลักของพระพุทธเจ้าไป็หลักของศาสนามันบาปมันบาปบาปยุติสายบาปเพราะของคิดซัวทําซัวพูดซัวเพื่นว่าอันนี้แหละห้เข้าใจ<อ>คิดซึ้งกับบาปนะอย่าว่าบอบาปนะบาปบนไดนมันเบียดเบียนตนเองเพื่อนว่าทําเราไดเป็นไปพวะความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรม นั้นไม่เป็นวินยัยนั้นไม่เป็นคาสอนของพระตราคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติน้อยกว่าสั่งง่ยายกว่าตามผู้เท่าผู้แก่กว่าสางังเจ้าหัวไอจูอ่ะตามจำไว้มันดีทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระตราคตควรศึกษาควรปฏิบัติให้ดูแจ้งเห็นจริงเนี่ยเป็นว่า คันบุญเบียเบี้ยจนเองที่จะเนี่มันบุกคิดอยากไปฆ่าผู้หันมันบุกคิดอยากไปรักของผู้หันมันบุกคิดจยากว่าให้ว่ามันคิดบมดีนั่นแหะเลิกเลิกเลิกตั้งแต่มือนี้เลิกวินาทีนี้เลิกเดี๋ยวนี้นี่ละฟังอยู่ในโอ้จันไว้เนี่ยพี่น้องฝังเทศฟังถังจดจำเอาไว้อันนี้สรงการฟังเทวสุสังลพเตปัญญ์เพิ่นวายจะเน่บุญเบีเขาบุกหัจากอันนี้ก็นเลยเพิ่นวายฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเนี่ยฟังด้วยดีฟังนี่ฟังแล้จํา นำไปไปฏิบัติเพื่อได้ปัญญาแบบ น, นี้ขันฟังบูดีไปอย่างเออคอนตอกหมดมันหน้าหมดแมงใจแท้ดวงตาเดี่ยวมากระฟูยิงหน้ามากกว่าหน้าประนี้ฟังบูดีอันนั้นดังนั้นคนฟังเทศเนี่ยควรแบกไว้สามจาพวกจําให้มันดีมูเจ้าอะนักยีรามันต้องเป็นหนังสืออย่าพอจริงบอเคยงอบอเคยวิตกกังวลกับไผทั้งหมดหนึน่งผู้ฟังชอบสนับสนุนทูกใจแท้อยากให้พูดอยากให้ว่า ผู้บอสอบใจเลยต่อต้านขัดข้านนี่เป็นว่าอีกพวกนึ่งเดียวพวกนี้เออมักกับฟังผมมักกับฟังซะละฟังแล้วก็แล้วไปกันนั้นนะเนี่ยเป็นว่าจังจะสามจําพวกนี้เป็นยังไงบ้านี้จําพวกหนึ่งบ่พอใจเขขัดขวางที่เฮ็ดนั่นกระพิดเฮ็ดยันนี้กระพิดเนี่ยเป็นว่ามันบ่ดีฟังแล้วเสือ้อโลกกรบโบได้ฟังแล้วโบเสื้อกะบบได้เนี่ยเป็นว่าจะเฮ็ดได้จังเคยได้ยินบ่สั่งเสื้อโรด องค์คุลีมานฟังครูบาอาจารย์บอกว่าเอ้ายังจะคถาโซนนั้นโซนนี้จิสอนให้เธอคนอื่นบ่ได้สอนแม่ท่านนี่เป็นลูกสิบดีที่ดีเอ่อไปฆ่าคนไปต้นฆ่าคนเอาดิ้วมือมาให้แล้วผันคนเราจิสอนมูลหายตัวให้ดำดี ด, ดีองคุลีมานเป็นคนมีศรัทธาจริงแล้วปักฆ่าคนไปเลยนี่ฟั่งเสื้อรดอันโบดี้อันหนึ่งบ้านนี้ไปเจอพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าก็เลยองค์ลนองคุลีมากนก็นเลยถามเราหยุดแล้วหยุดทําไมพ ร, พระพุทธเจ้าตัวอา สมมติมนหคนาคลคิดตัวสบ่เมนตัวเราหยุดแล้วสหยุดทําไมแล่นไปหัยากไปหักนกจิวาสสิบบ่เมนเราหยุดข่มตัวหยุดการทําตัวหยุดการพูดตัวหยุดการฟังและพิจารณาหาเหตุผลที่อย่าพ่ไว้ฟังเนี่ยอันนี้ควรเสื้อควรเสื้อบนไหนอ่ะอยักซุบบุรี่ิเห็ดตูห้หน่อยไว้สองบุรี่จากบาทเอาไปทิ่งใส่หันเหตุออมสิบแมน่ ได้เงินไวหันบุดซุบมงินเนี่มื่อนายอยากซุบบุหรี่ตื่เอาเงินไปทิปอมสิบหันซื้อบุหรีซ่ซุปแล้วเงินเอาไว้หันอ้าวฮอตเดือนนึงแล้วเงิอนอมสิบโบได้หาแล้วบ่นเนี่ได้แหละคาบุหรี่โบต้องอยากจะหน้อยนีย่หาเงินโดยโบได้คิดแด่อ่านมันยังบ่เนี่ย น, นี่อ้าบาร์ี้ อ, า อ, าอยากซื้อเลขบ่เ น, นี่ยเอาเงินไปวางหัอยากซื้อเลขบ่เนี่ยสิบบาทบ่เนาะเอาไปทิปไปอมสิบมาลดห<แ>นึ่บาทหนึ่งไปสิบอมสิบมาลดอ้าวฮอตเดือนนึงมาอยากซื้อได้อยากเถอะแต่เปิดอมสิบซื้อลอตเตอรี่แล้วเงี้ย ให้หูวจักหาให้หัวจักเก็บให้หัวจักใสคนบม่รู้จักหาบม่รู้จักเก็บไ่รู้จักใสมันจีเป็นคนบ่มันก็เป็นผีเสื้อนะคนเกิดมาจึงให้หูวจักคนเกิดกับคนมันก็เป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นผีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เบลซาลก็ได้เป็นเป้ก็ได้ให้ว่าเป็นได้ทุกอย่าง เป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้ที่สุดเป็นพระเดียบุคคลก็ได้เป็นวาจันจีวะคนเนี่เกิดมาให้รู้จักเป็นคนเป็นคนแล้วดีๆเนี่ยหน้าที่ของคนคืออย่างไรรู้จักเคารมนับถือพ่อแม่อายน้องของเขาเพิ่นให้รู้จักเคารมนับถืออันนั้นถ้าหากไม่รู้จักคารมนับถืออันนั้นกะมันจะไม่เป็นคนที่ยังได้เังสั น, น, น, นดูทูกกันนี่นั่นเป็นวาบุษย์คนเด้ดูทุกผู้อื่นนี่ คนลืมตัวได้น่ะคุณเขามาว่าให้ตัวพระเครียดอีกตื่เข้าวจะไว้เขาโดยบวชให้เขาขเครียดนี่เพราะว่าคนลืมตัวเนี่เหมือนกับคนตายแล้วตายแล้วมันมนเนี่ยเขาไปจุ๊บไปสั่งได้แล้วแล้วบบนี้อันคนตายบนหันเน่าบนหันบิดลมหายใจแต่มินยิ่งก็อุจจระเนี่ยเพื่นว่าจังสันเนี่ยพระพุทธเจ้าคนสอนให้เข้าใจเรื่องมูลนิธิว่าคนเกิดมาเป็นคพาะรู้จักคนรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติตนเอง ลูจกักข่มทุกข์และข่มสุขของตนเองหเลี้ยวไปหน้าคุณแด่เลี้ยวขึ้นหลังแด่เลียวเบื้องัวาแด่เลี้ยวเบื้องซายแด่เพราะว่ารอบตัวเหลี้ยวรอ บ, บตัวเบิ้งรอบตั ว, ตวคันเบิ้งแต่ทางหน้าก็เห็นแต่ลูก <c oughs> เห็นแต่ลานเห็นแต่ให้เห็นแต่นาเห็นแต่พุ่นแล้วลืมโตแล้วบคันเลี้ยวแต่หลังก็เลียวไปทางซีก็ลืมตัวอีกทีเลี้ยวเบื้องเบื้องซายเบิ้องขวาคันวางซีเข้าใจบ่ให้ว่า เลี้ยวเมื่วานนี้กูทำซัวอย่างแดดีนเลี่ยวหลังเมื่อก่อนนะกูทำซัวอย่างแดดเลี้ยวไปเบื้องข้างโอ้กูคบคนอย่างไดเดี๋ยน้อคบคนขี้เล้าบ่น้อคบคนเลยเบี้ยเลี้ยไพ่เลยเนี่ยเปินว่านอย่างสันเลี่ยวทรายเลี่ยวขั้วเลี่ยวหน้าเลี่ยวหลังเปิดวานใครเลี้ยวเบื้องอันนี้พี่บ่กไม่เลี่ยวซื่อเดชใครเลี้ยวซื่อเดชผิดอีกตึมเดชบอได้คนใหม่เด้มันเป็นอย่างสันนีงเห็นใจเจ้าของสงบจักเพื่อโดยเห็นแล้วของคนลืมตัว แต่เบื่จะข่มสุกผู้อื่นคนข่มสุกตัวมีระบบเอาจากเธอเพราะที่ตายแต่เมด่อลมหายใจพอดีไปเอาข่มสุกมันกินได้จากเคื่อบุคคลแบบนั้นมันได้แต่แบบเปรหิวกินโบจักพอเห็นน้ำว่ามันเย็นเนี่ยมีกอกน้ำสองอันขึ้นมาแต่กินน้ําเย็นก่อนหน้าแต่เปื่อยเข้าไปเป็นน้ากดจ้ากินลงไปฮอนวาตกใส่เสื้อส่ผ้าไปเมดเปื่อยเมด่อเนะเพลนวาอย่างสั่นให้เข้าใจให้เข้าใจมาเจริญวิปัสสนา ถ้าบอกเข้าใจอย่างซีแล้วก็เสียหวังเน้บนไม่ตายแล้วจึงเอาเด้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานในคนสอนตื่เมื่ อ, อยังมีลมหายใจเด้มีซีได้ในโลกนี้คนตายแล้วยังมาสอนกันให้ไปเอาเมื่อจีแม่นบนของสันนะตายแล้วยังเอาอ่ะมันจีหัจักบนยังกินข้าวก็ยังกินกระเบื่องย่างกระกเป็นองสมาเอาคอเ น, นี่ยมาไปไล่เปลยนไล่ไกล ด, ด้วยกระบืไปสัมนาเอาตีกูบังด้วยเส้นกระบืตีสัมนาไปย่านหัวันยังของสันนั่นก็จะไปเสื้ออย่างของสันเปจริญพอกับเสื้อ พรเสื้อมาแล้วละมุนเนี่ยยานไปเฮลเนี่ยกับยานคนตายกลุ่มตายภายบุตรหมะเนี่ยหาหมาะมนไปกดแต่คบสน่ะคลิกไปอย่างสนและคนเอื้อนจิตใ จ, จต่ำที่สุดเขาเบื่อไม่มาเมื่อค่ำเมื่อคืนตัวเดียวกับไปไ ป, ปเฮลมันยานบ่มันบ่ยานคนเนี่ยกรายยานเราจะก็เต็มที่อีกทึมแล้วอย่าข้อเห็นแล้วหมุดไล่ผี่พียุให้ตัวเองบ่ไดจากเธอเนี่ยเป็นนังสนหนึ่งวะให้เข้าใจจริงๆได้อย่าพวานี่อ้ยบ่แมนดอก เท่ก็เอาหนังสือมาอ่านไงวะ <c oughs> บ่แมนอันนั้นหนังสือเนะเขียนผิดก็มีเขียนถูกก็มีกระดูกงวกระดูกหัยกระดูกเป็ดกระดูกไก่เอาไปต้มกินในี่เาเฮ็ดตังสันลูกคนพายานสันนั่นก็เป็นลูกเท่ากันมีค่าเท่ากันสันนั่นเป็นยานจังใดจังสันเราเอากระดูกวัวกระดูกคนไปปนกันไว้แม่มืเจ้าจินเลือกออกได้บออันนี้กระดูกคนอันนี้กระดูกหัวจีหัวจักแม่บุหัวจักจอยสัม เนี่ยไม่เป็นอะไอันนี้ดุกไก่อันนี้ดุกนนดเป็ดบุหัวจักซ้ำเล่นในยานเห็ดอย่างนอย่างวานันติอันเอาเข้าไปให้พ่อให้แม่กินนะ่ะเต่เมื่ อ, อยู่ดีๆ ก, ก็กินว่าเป็นแล้วนะยังเอาไปให้กินอีกเติมสันนะเราคิดบ้างดูตอนรอดไปฮอดไปเฮ่พวกเนี้จีกมากบวนบุรีไปให้แตงปลาเขาไปให้สิมิเตะมาบันเขียวนะกินนั่นตอนยาเห็ดยาเห็ดถ้าคนมีปัญญาเลิกได้สิ่งเหล่านี้อ่ะ เขาว่าเลิกบอได้ประเพณีอะไรเขาจะเฮ็ดตายเพิ่นวันนี่เพิ่นวันเพิ่นวันเสียสละทัพย์บอสัมเพราะรักษาอาวัยวะทรัพย์ก็คือเงินนั่นแหละเพราะรักษาอาวัยวะอวัยวะก็คือเนื้อคือหนังเขานี่แหละเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตเนื้อห น, นังนี่ใครมันเป็นบ้าเป็นเพลตัดได้กขาบอตัดตายได้เนี่ยเขาต้องตัดเท่งเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมคือความจริงยอมเสียได้แล้วบอ จอยว่าไผโมเสียใจที่เขาว่าผิดได้จนตกใจว่าบีคนบ่มีความจริงในตัวนั้นถ้าหากคนมีความจริงในตัวนั้นเรื่องของเขาเว้าเขาว่าเ็เรื่องของเขาเนี่ยห้ามเขาให้ยั้งของเขาเว่าวะอย่าว้าอย่าว้าวห้ามบ่ได้เขาจีว่าแล้วให้เขาเว่าไปเมื่อว่าเขาจีว่าเองคันเขาบมเสก็ยาเขาแล้วยี่ได้ประโยชน์มีอย่างเขาต้องพูดความจริงพระพุทธสอนให้เราเว่าความจริงความจริงเป็นความบ่ตายคนวะ เขาให้เขาเข้าใจเลยถ้าเขาบูเข้าใจแล้วเสียหลักเนี่ยทำบุญจะได้บาปก็มีเด้จินน้ำเย็นมาแค่มันติดน้ำกดก็ได้เลยจะเอาคีดเป็ตตะลังคีดใกล้จะเปลี่นเลยนี่ให้เข้าใจเด้ทำบุญนีอันวิปัสสนานี่ก็คือการนี่ยขัเฮ็ดบูทุกแล้วจะไปเอาพี่เอาเทวดาไปเบิ่งเป็นพระล้าหันนั่งอยู่นี่เห็นเลขอยู่คุณผิดแน่นี่ก็ได้บุตรสาผิดได้ผิดหนักแท้แท้นียเห็นใส่เห็นกำลังเายกมือเสียกำกับปัจิตทีเขาบูได้บูได้บูได้สาวสาวสาว ยกมือไหว้คนเอ อ, อย่างบนเมีนให้ยกมือไหว้คนฮันไหว้ตัวเองมาด้วยเนี่ยโอ้กูนี่มีของดีปานนี้เนาะไหว้ตัวเองได้คนว่ะมีของดีนะเนี่ยยกเมื่อกี้เนี่ยมันจะด่าคนเห็นเนาะโอ้ใจเมื่อกี้จะด่าเนี่ยบ่ได้ด่าเคนคือดา่าเราเนี่ยนี่ไหว้ตัวเองโอ้กูนี่มีดีปานนี้เนาะนี่มันคิดอยากปลักของผู้อื่นเนาะมากันไปเอาของผู้อื่นผู้อื่นก็จะเสียใจ มุงเอาของตกกระเสียแจพราะทกูนี่ดีปะเนี่ยเลิกเนี่ยอันนี้เนี่ยพระอรดีตบุคคลอยู่ที่นี้เนี่ไ ม, ม่ไกเ่เด็พระจึงเป็นผู้สอนคนเนี่ยผู้ใดสอนคนให้เลิกจากความซัวนั่นแหละคือพระแท้เพระอย่าพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกแต่ว่าไปตกนรก เ, เดี๋ยวนี้เป็นอสันได้บอกขันยังว่เป็นอะไรเฮฟออกเป็นเปลี่ยนเนี่ยเฮฟออกเป็นเปลนเเป็นเมื่อดีด็ก็เป็นเมื่ออื่นเนีย เป็นเดียวนี้เนี้ยมันดีที่สุดแต่เป็นวิญญาณทีนี้เราเปลี่ิตใจเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเป็นว่าอย่งนั้นอยานัวมเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่ที่เอาพี่เปลี่ยนแปลงเหอบได้เทวดาเปลี่ยนแปลงเหอบได้พ่อแม่เปลี่ยนแปลงหอบได้พ่อเมียเปลี่ยนแปลงเหาบได้ฝังแล้วทําเองเป็นว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเส้นหอบชวดธรรมคุณเนี่ยสวาก้าโตพระวตาทำโมทพระทำอันพระพุทธภาพเจ้าตัดไว้ดีแล้วภาพมือ พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้านัเนี่ยตัดไว้ดีแล้วสันทิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองเห็นเองรู้เองเข้าใจเองอย่าพอวานี่อย่าพอเป็นคนบวมมูอเจ้าเข้าใจเองนี่พิษตาบ่งดูขโมยมือบอกคอยบุกมือมุขเจ้าแตเห็นมูุขพิษตาคข่มขโมยมูขเจ้าูขเมื่อเองเนี่ยผู้รู้เองเห็นเองน่ะอการเลโก้แต่ไม่ประกอบการและเวลาและยุคราชสมัยจึงธรรมะแท้จะมีก่อนพระพุทธเจ้า ธรรมะแท้คือซึ่งเดียวกันนี่วะความสุขที่แท้จริงมนุษย์ควรได้ควรเห็นควรเป็นคุณมีนั้นสุขที่บบเจือปนด้วยทุกแต่มันมีมัดทุกคนความสุขแบบนั้นบบยกเว้นไผ่ทั้งมดัดผู้หยิงก็มีเท่ากันหัน่นผู้ทายก็มีเท่ากันหัน่นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีเท่ากันหัน่นแม้เขาถือศาสนาอื่นและที่อื่นก็ตา่าง พวกศาสนาคิดศาสนาอิสลามหรือฮินดูผ่ามมีเท่ากันมัคนไทยคนจีนก็มีคือกันความสุขที่ไม่เกี่ยวนด้วยทุกข์นี่ดังนั้นพุทธศาสนานนจริงสอนธรรมะที่เป็นสากลคำว่าสากลเนี่ยเป็นของทั่วไปธรรมะที่เป็นสากลมันมีอยู่กับโลกอันนี้และก็มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคุณ พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนดุเป็นคนขยันและเป็นคนศึกษาก็จริงพูดก็จริงทําก็จริงเลยได้พบได้หูได้เห็นแล้วก็นํามาสอนคนในประเทศอินเดียคําว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมันมีมาก่อนคนนี้บุตรพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นมาด้แต่มันหมดหมดคนศึกษาหมดคนรู้หมดคนปฏิบัติแล้วก็เลยหมดเฮามานี่ก็เช่นเดียวกัน เขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันเป็นเข้าวทีนึงอยากเป็นเข้าผีถ้าเป็นเข้าผีแล้วบ่มีราคาหัวจักเข้าผีบอกขันบูหัวจักปฏิบัติขา้ารีบเข้าบ่มีไหนข้าผีบ่มออกไปให้ยั้งมดกระบอกินเอาไปแก้ไปให้ผีเสื้อให้เส้นาเอาเนี่ยเอาไปให้จกักล่อจักเกี้ยนเนี่ยแก้ไปตุดตดไปเอาไปให้เข้าผีมันจีมีประโยชน์เป็นอยังคนแบบนั้น เขาต้องพยายามทําให้เป็นเป็นเข้าวทีนึงเป็นเข้าอ้วนเข้าเต็มเอาไปพเพาะแสนมันก็ออกไนะม่เปนไราจารถ้าเป็นเข้าวทีนึ่งเราดีที่สุดหละให้ว่าเมืองไทยเขาจะเป็นเข้าวทีนึ่งเราก็ดีละถ้าเป็นเข้าอ้วนเข้าเต็มนีนก่ก็หนักขายก็ได้ราคาดีอยากเป็นเข้ารีบเป็นเข้ารีบบ่มีในอันเฮาบ่มีในบ่มีศรัทธา บ, บ่เบิ้งเพิ่นบ่เหลียวหน้าบ่เหลียวหลังบ่เหลียวข้าง้ายค้างขังขว คลายๆๆคือว่าเขามีแดบ้างบ่มีไหนบ้างเป็นมีแดไหนมันจะเป็นบุ้นบุต็ิอันนั้นก็พอใส่ได้อยู่แต่ว่าใส่ห่วมพยายามมากอันแนวมันบุเหลียวหน้าเหลียวหลังมิอย่างนี่ยไปเรื่อยๆไปนี่บ่มีไหนจย่างน้อยเด้๋วโอ้ติมทีเยออันนั้นเหายากเป็นอยงสันพอออกคือกันไม่ออกคือกัารพระทรงองค์เจ้าเหาคือกันต้องเบิ่งเพลินการเหตุการณ์ทำการพูด โบเมนซีได้พูดหลายเลยเอาโบเมนพูดให้มีจังหวะการประชุมกันกับเช่นเดียวกันเขาต้องห้าเหุหาผลบบเมนหน้าที่กับโเว์วอลเธอมันต้องมีถ้าห้าเขาเป็นเข้าทีหนึงนะมันต้องคอยจังหวะให้เขาเ้าจริงๆแม้เขาบ้ปากจริงๆก็เอาเซิรนว่าความบาดลงวยปเดี๋ยวขนเข้าบริไนได้เว้าขเขากโบเซืออ้อโบฟังมันบ่มีประโยชน์เี็อย่างเนี่ยครัว่ามันบ่มีคุณค่าเป็นว่าพูดร้อยคำแสนคำมื่นคำล้านคำ รูการกระทําให้เขาเห็นข้างเดียวโบได้ราคามาใช่เห็นด้วยตาแต่ฟังด้วยหูพุ่นมันเป็นอะไรสนไหนทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังเ น, น, นี่ยเพิ่นวายสั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนสัน้นเราต้องจดจําเอาไว้นําไปปฏิบัติเรามาปฏิบัตินี่เบื้องแรกที่สุดให้รู้ตัวเรานี่แหละรู้เพื่อยัง้งตื่นรู้เพื่อจะรู้จักว่าเหตุมันเกิดขึ้นเพราะกูทําจ่างนั้น คนดังนั้นมันก็ออกมาจากท่างนั้นเหตุสัวฆ่าสัตว์หลักสัตว์พุ้นจี้ดุมสุรายาเมากันซาเฮโรอินเหตุของมันอันนัคนมันออกมาเป็นอยังมันข่มทุกข่มจนลินเบี้ยลินไพร์เนี่ยมันเหตุเอามันอันออกมาได้แท้เหตุอันที่ทํานั้นนะคนมันจะได้รับแท้ๆบัดนี้เหตุของมันคือโบลินเบี้ยโบลินไพร์โบลุ่มสุราบวกกินกันซา โบเที่ยวกลางคืนเป็นคนขยันขแเหตุของมันอันนี้ก็ได้คนมันออกมาซะหน่มีกินมีใสโบเป็นนี่คนนี่เป็นว่าทุกในโลกนี้ทุกวัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกเพราะเป็นนี่คนโบทุกแท้แท้นี่ยในโลกนี้เพราะบบเป็นนี่คนบบเป็นนี่คนคันโบมีกับทุกอีกตื้นนี้โบเป็นนี่เขาซื้อนี่กับโบแมนนี้โบเป็นนี่คนต้องขยันขันแข็งเป็นว่าสั่ท่าอใจ ในการในงานอะไรสินะวิธีควมเพียนจิตตเอาใจใส่ยิ้มังสาดำริตีต้องเป็นว่าจีว่าคนรู้จักหน้าที่ของคนเมื่อรู้จักหน้าที่ของคนแล้วคนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของเราควมสุขมาหาเฮาแท้แท้ไปหาผู้อื่นมาหาเฮาเพราะเฮาทําดีพูดดีคิดดีนี่มันดีพร้อม ไปยู่ใส่ใคล้ายๆคือทองคำเนี่ยบ้านเขาเกลี้ยงทองคํามันปนอยู่น้ำขี้สายขี้ตุ่มยูหัดของคุณเขาหอนออกมาโบทันได้เอาบาไปไล่ไประคุมอย่างแดงเป็นสีแดงขึ้นโลดคํจาจังว่าหองดีตกยูใส่กรบโบสัวหองสัวตกยูใสกระหยาขึ้นไว้ด้วงกันเขาต้องพยายามทําให้เป็นคนดียูใส่กระซังพระพระเจ้าสอนคน ให้ว่าคนบูดีเอาฉันก็ได้คนโง่คนบูดีนะดีแต่ปากวากวอนสอนเขาอื่นมีดาดเดินเหลือลับนับไม่ไหวฝึกตนเองอบรมตนเองบ้างไหมฝึกตนเองเนี่ยมันฝึกยาคนมาฝึกตนเองอบรมตนเองบ้างไหมฝึกคนอื่นได้ฝึกเราได้จริงจะดีนะไปฝึกจะคนอื่นพุ่งตัวเองบูฝึกเพิ่นวะ ภิกษุขณเโอมิภิกษุนะคุณว่าภิกษุลามกสันดานนกกาเนี่ยกามันหองเมื่อเ้ามาบุญธรรมนทก้ากล้าเนี่มันว่านมืนบูดีอันนั้นนะคนมีแต่พูดเหมือนบูดีสันดานนกกากานี่มันเห้อย่างเด้หน้าที่ของมันหนึ่งเหมือนหอมสองมันลักจิ้นสามมันตื่นดึกนี่เอายังไดงวะเนี่ยเอาย่างกาแต่อยากทำย่างกาเนี่ยเอาบ่นไดส้เอาบ่มันตื่นดึกอยากทำยางไง อย่าทำอย่ามันรักกินกับมันหองอย่าเอาเลือกเอาจังหวะเห็นคนต้องเบิง่งเป็นครูเขาได้ทั้งมดืดผู้ดีคนเขาก็เป็นครูผู้เลวคนเขาก็เป็นครูผู้เสมอเขาก็เป็นครูเป็นได้เพราะอย่างไหผู้ดีคนเขาเนี่ยคนออกหน้าให้เข้าใจกันผู้ต่ำคนเรานะั่นน่ะนำหลังเขามา <c oughs> เขาก็เหลี่ยวหลังเบิง่งโ อ, อ้ตาเนี่มันโง่ขนาดนี้เด้เขาอยังโง่ทันวันนี้ผู้ไปคนหน้าขอโทษหลบยางคูกต้องเน้นเป็นครูของเขา คนที่ย่างเคียงเขาไปยังเสมอเขาการงานเสมอเขาดีสูส้ถึงเขาก็บึง้งอันนั้นกด็ดีอันนี้กด็ดีอันนั้นผิดอันนี้ผิดเป็นครูเขาได้สามคนนี่เพราะยังว่าสิ่งที่แวดล้อมเขานั้นเป็นครูเขาได้ทุกอย่างสิ่งที่แวดล้อมเขานั้นอ่ะมันจะแนะนําให้ได้ทุกอย่างอย่างว่าอย่าเอาสิ่งที่ผิดที่หาวาเกิดอยู่เนี่ยที่มีงานประชุมกันนี่มีเรื่องอย่างสิบุกพอมีอุดมการณ์เอาไว้เพราะว่า ถ้าหาักไปกับจ้องขันเนี่ยพออยู่ดีมีแหงมาเจอกันเข้าก็ต้องให้ว่าสาดนาำใส่ขันเปียกอยู่ทุกมือละไปให้ว่าเธอไปบ่มีจะได้หนุงผ้าดีพ้าแห้งขึ้นมาต้องหลับทุกมาลดแต่ว่าทุกอย่างที่นี่ยพอวานี่มันบ่เมเนทุกอย่างที่โลกเขาทุกดเดชบ่มเนอย่างนั้นเนี่ทุกว่าจะหมดทุกพระพุทธสอนให้คนหมดทุกพึ้นมาจังทันสอนคนโง่ ให้เป็นคนสลาดมันโง่อยู่มันชี่ดีบอกมันชี้สุกบอกมันก็ทุกข์เสนอมันสลาดขึ้นมาแล้วทุกข์กระมดไปสอนให้คนทําซั่วมันกําลังทําซั่วทําผิดยุหะน่ะนานๆเข้ามันก็เลยเลิกค่วมทุกข์กระมดไปมันมีทุกยุเดี๋ยวนี้เนี่ยันสอนว่าอะไรเธออย่าให้จังซันไ้อยายให้จังซีไหลายเธอทุกข์กระมดไปเพราะมันจิรู้จักเป็นว่าตื่นเด็กลุกเศ้าไหวพระสวดมนต์ ทำธุระหน้าที่ของพระสงฆ์บัญญยคนคือกันตื้นเดึกลรุกเศ้าหาการหางานทําถ้าหากเป็นอาสาเดีวทํางานทําการตามหน้าที่คนความสุขมีอยู่แล้วแต่เหาวหาหมามันมาเท่านั้นซื่อเมื่อเขามาหามันมาก็ต้องไ ด, ด้โดยเพื่นว่าง่ายของที่คุ้มเปิดของที่ปิดอันพระพุทธเจ้านั่นคือคนทุกคนนี่แหละทุกคนนั่นแหละ เป็นพระพุทธเจ้าจริงว่าอันความสุขเนี่ยยูดาเฮานี่แหละจึงว่าความสุขของมนุษย์ควรหาให้ได้ควรหาให้เห็นและควรหาเอามาใส่กับชีวิตของเขาจริงว่ามนุษย์กับคนที่ควรไม่มีทุกข์เหาทุกข์เพราะยังเพราะเฮาบูหุ่จากความสุขยูใส่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวอันนั้นคือจิตใจของพระพุทธเจ้าถ้าหากเขามีจังทันเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้คือกันเคยได้ยินพระพุทธเจ้าว่ากับพระวักลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีบอลเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมก็ต้องเห็นจังนั้นอันทำให้ทำนานก็ทำคือกัน ทำนี่มันจึงหลายฟั้นหลายลืบมันเป็นสั้นเป็นลืบคลายคลายคือเปลือกไม้นี่นะเขาจับทำอิฐนี่ก็ต้องจับมีคลายใบมันลืดลำก็มีคายฟันคลายมันออกไปเห็นเปลือกมันฟันเปลือกมันออกไปเห็นมอกมันฟันมอกออกไปเป็นน้ำล้อลื่นเปือกเดือดฟันอันน้ำลรอลื่นออกไปเห็นในนเข้าไปฟันเข้าไปเห็นในฟัเเ น, นฟเข้าไปเห็นใจกลางของไม้พุ่มอันเขามาปฏิบัตินี่ก็คือกันเน้ มันจะเห็นเปอันนั้นเนี่ยทำอิตนี่เห็นตัวเฮาเนี่ยจักรอนรู้จักตัวเฮาเลยว่าต่อมามันจะเห็นความทุกข์คือโทสะโมหะโลภะอยู่นี่อันนั้นต่อไปเห็นอันนั้นแล้วก็เฮารู้ตัวเฮาแล้วเห็นทุกข์เฮาก็ะเซาเรื่องนั้นน่ะกระบุทุกข์แบบนี้ต่อไปเฮาปฏิบัติเห็นโทสะโมหะโลภะแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเห็นอันนี้เนะี่ก็เวทานากระบุทุกข์สัญญากระบุทุกข์สังขารกระบุทุกข์วิญญาณพุทธเอินสินอันนั้นสินอันไหนสินห้าหน คนเอ่ยว่าสิทธิ์ขันขันห้าเนี่ยเนี่ยสองเห็นโทสะโมหะโลภะแล้วเวทนาบทุกสัญญาบทุกสังขารบทุกวิญญาณบทุกเนี่ยคนเอ้ยสิทธิ์ห้าคนสิทธิ์ขันสมาธิขันปัญญาขันขันมาอยู่ชังซีอันขันตักน้ำกินกับขันหนึ่งขันอันนี้แหละมีสิทธิ์เลยเหมือนบทุกเขาไปรับสิทธิ์อยู่นั่นน่ะมอซื้อๆของบ่มู้จักได้นี่ยจึงว่าหน้าที่ของคน มันควรได้รับข่มสุขแบบนี้มันบริเรคข่มสุขแบบนี้เพราะอย่างเพราะมันโบหูเป็นวะบัดนี้ปฏิบัติเข้าไปาเนี่ยควมยึดมันม่นถือมั่นมีแต่เก้าแต่ก้อนเป็นวะเลิกละเป็นวะเนี่ยอุปทานหมดไปเนี่ยกิเลสหมดไปตัญหาหมดไปกรรมคือวิบากเปนวะกรรมหมดไปพร้อมข่มทุกแบบนั้นเพลินว่าเพลินวะยังสั้นพระปริยพันสอนอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรรู้ ควรเห็นควรเป็นคนมีและควรได้เพ่อนว่าต่อไปบะเนียนเราจิ้รู้จักความสงบความสงบนี่สงบแบบบลูอันหนึง่งสงบแบบลูอันหนึง่งเพ่นเตีย เ, เทียวว่าลือสี่เป็นผู้มีฤทธิ์จำแรงแปลงขายเลี้ยงเอาสัตว์โลกทำไรมารวมกันเพื่อจะให้คนกับสัตว์พูดกันได้เพิ่นว่าจังสันอันหาวว่านะแมงวันจึงว่าเป็นไฟสัตว์เดรัจฉาน รูทุกประเภทคนบันเนี่ยเป็นศาสดาจารย์ผู้รูดเสี้ยวสารทังหละ่ะมันพัฒนาไปผิดคนแมงวันมันบุนพัฒนานํำด้วยสัตว์โลกทั้งหลายจิงยกมือให้แมงวันส่วนคนที่เป็นศาสดาจารย์กับคนยกมือให้พอดีผลนที่สุดนะคนพัฒนาไปเร็วเครื่องบินก็นได้เวากันบัดจุดท้ายแล้วจะเจงจีงจงจงมาว่าแบกนอนค <c oughs> ันวาเตะแบหนอ น, อน ม, มันจีบบมันจีบบเข้าโคงกัน ใช่ไหมคนมันพัฒนาถนนหนทางพัฒนาเสื้อผ้าถ้วยสามจามบ่วงแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มีเครื่องเป็นสุดๆเดี๋ยวนี้มันไปไวคนที่สุดพัฒนาฮัตลุกระเบิดปืนนี่พัฒนากันไปยิงกันตายบัด น, นี้อยากให้ตัวเมียงวันสัต์โลกทั้งหลายมาพัฒนามันงมีความรู้อย่างเขานั้นบัด น, นี้ให้เลือกเอารู้สิให้เลือกเอาเลือกอก็ได้เมียงวันเมียงวันแก่เมียงวันอายุ เมียงวันนี่มันเข้าคนได้หนึ่งสัตว์มันกลับไปตอมได้คนมันกลับไปตอมได้แม่ที่สุดของอุจจาระมันกลับไปตอมเข้าไปเบื้องนี้ตลาดขายของมีเมียงวันทั้งนั้นเมียงวันนี่โอ้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดีมันก็เห็นซวมันก็เห็นเนี่ยได้ไปเห็นเอ้าเลือกเมียงวันเถอะพวกเขาเอาเมียงวันเลยแต่บุตรเดวาเรื่องที่ว่าครังนั้นมีสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ด้วยขาดบัววาสั้นสั้นหลัดหให้หมูเจ้าจําได้แค่นี้ เลือกแดงวันบันไดกะให้สัตว์ทั้งหลายพัฒนาอย่างเหล่านีนนน้แล้วโลกมันจะเจริญอ้าวจบแล้วศาสตาจารย์อ้าววันนี้แดงวันขึ้นไปบั น, นี้ไดแดง ว, วันก็วิปปับไปอยู่อใบอกุหลนคนแล้วขอว่าใส่ใบกุหลนนี้มาคนอยู่จะได้ยินหลายมันหลายคนเนสัตว์โลกค่าพระเจ้าเห็นดีท่านพัฒนาแต่ข้าพระเจ้ายัางไม่เห็นด้วยไม่อยองพัฒนา ข้าพระเจ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนแม้เจอมดดำมดแดงก็ไม่เดือดร้อนน่ะทำให้เดือดร้อนอย่างไดไม่เดือดร้อนเพราะหมูเจ้าเนี่ยสร้างถนนหนทางเดือดร้อนห้อยหมวกไห้ผิดเอา่าจับสัตว์เล็กสน้อยมากินบบเทสเฉพาะจับสัต์มากินหรือซื้อแม่สร้างยาพิษขึ้นมาสร้างลูกเล่บขึ้นมาทิ้งใส่หมู่คอยจนเดือดร้อนหมูเจ้าก็เดือดร้อนคือกันไม่พัฒนาอก็ มูเจ้านี่บ่อยากเจริญเนี่ยไม่อยากเจริญแบบนั้นอา้าวเมียงวันพัฒนาไดา้ดีพัฒนาวาระได้บัดเนี่ยข้าพระเจ้าอยากพัฒนาให้เอายาพิษตะคุดลุมฝังว่าสิพวกข้าพระเจ้าอยากพัฒนาให้เอาลูกเราเบื่ไปโยน ล, ลงน้ํามหาสมุทรเะเลเพืให้หมดมู่ข้าพระเจ้าที่มีขมสุกยอนปูปานา น, า น, าน้ากรสิอโบตายต้นไม้ต้นโตกระสิอโบตายข้าพระเจ้ากระสือโบตายพวกท่านกระสิบเบื่ตายอา้าวเอาทางใดสิสับโลกทกั้งหลายกระยกมือให้แมีงวัน หน้าทัศนาจารย์หน้าห้วยเงอะประโยชน์นี้แหละการพัฒนายาคานยาคานยาคานพัฒนาทุกหลักถ้าพัฒนาบทุกหลักบัณฑนาจิบหายบ้านเฮาเมืองเฮาเดือบเมเตกรอนต้นไม้โบอืดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างแห้งแรงอยากได้แต่เงินเงินมันทําประโยชน์ทำอย่างไ้มีประโยชน์ถ้าใส่เปลี่ยนโบมีประโยชน์ใส่โบเปลี่ยนเป็นว่าห้วยเฮาเนี่ยมีน้ำเมแต่กรอนมันไหลอยู่เดี๋ยวนี้บบมีน้ําไหลผู้ปลานาน้ามีแต่ตกรอน ตัวเทาตัวหอยมีเต็มมัน้นานีา่พอวัตถุก่อนนานมอปะหนอมนี่อยากกินเทาจะลงมาทานานก็มีอยากกินหอยลงมาทานานก็มีตาก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปเบื้องแห้งเลยต้นไค่กต่ บ, บ่มีแล้วดี๋นี่เพราะยังเพราะพัฒนาไปเร็วเกินไปนี่กิดขึ้นบาเนี่ยเพราะให้ยัง อ, อยากได้เครื่องสําอางเครื่องแต่งตัวนี่อันนั้นผู้ที่เขายเขาต้องการเงินเน่ยพอได้ยิงขจ้าว่าไข่ดองเนี่ย เรื่ว่าสัตว์เนี่ยเขาเอาไปขายในตลาดคนซื้อบมุญเขาไปเทลงทะเลพุ่มหมดเขาอยากให้ของแพงนี่ป่านนั้นเฮาจดีดีลดนให้ยังดีโดนนำเงินเนี่ยค่าพุ้นจี้กันซุมือเนี่นี่เพราะยังเพราะเงินทางนั้นเงินเนี่ยใสให้เป็นเป็นคุณใสว่าเป็นเป็นโทษใสให้เป็นเหาอ่ะคิดให้เป็นพัฒนาให้มันเป็นคือเมืองวันนั้นเสมพอเส้นแม่าเหาผู้ไลยขโมยบัวข่อยหมีไปใส่กระยางไป แต่หอกกรบโบวาพัฒนาได้หอกกระยักมีคือกันเครื่องบินแต่โบมินยักอ่านให้มันพินาศจิตหายนั่นเดี๋ยวนี้มันแยงเสียงกันเฮดบุ๊กกระสุนเดินดเป็นขยี้กันผิดใจกันมาแล้วเนี่ยผิดใจเล็กเล็กเน้อยก็ค่ากันหมดอันนั้นข่มทุกยิงกันเพ่ออยังเพราะมันไปยึดไปถือเปเอื้อกีเลตันหาอุปาทานมันเป็นทุกทุกเพ่ออยังเกิดขึ้นเพราะโมหะโทสะโลภเกิดขึ้น พระพุทธเ้ากิจึงสอนให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงมันมีโยนเสิสัตว์ทกเหตุนเนี่ยมาอันนี้ก็ว่าสัตว์พัฒนาแล้กัแมนอยู่มามาันกัดกันเป็นบตัวงูตุกคนก็ันกันอันมันกัดกันมันโนกันเพราะอย่างเพราะโทสะโมหะโลภะพราะควมยึดมั่นถือมั่นนี้เพื่นจังว่าพัฒนาอันนี้เหมียวันมันซอบอยังสั้นเพื่อจังวะเฮารูป เร็วกันอยู่ซึมือเดี๋ยวนี้เนี่ยไฟนั้นไฟนี้เนี่ยแม้พี่น้องเขาเมืองลาวเนี่ยข้ามไปบ้านนาค้ า, านาซักบ้านนาเพียงณป่ฝานาแปนงมูเนี่ยเขาไปมาหากันทุกเวลาเมื่อค่ำมื่อคืนได้สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเตือนหากันแถวบ้านเขาไปเห็นให้ฟากนั้นได้สบายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปหากันได้บอด่อยนี่เพราะยังนี่แหละการพัฒนามันไปเร็วเลยขาดพี่ขาดน้องกันเขาดูหน้ากันบ่ได้เนี่ยมด กรตายสัตว์อื่นๆก็ตายเพราะหยิงปืนใส่กันตายบัด น, นี้ทิ้มระเบิดใส่นน้ําน้ากระมันแห้งไปป่า ก, ก็เลยตายกินบ่ได้อย่าพอเห็นข้าเจ้าทิ้มระเบิดใส่น้ำเอาตู้งลงไปเสียน้ำกระทบปา่าบวกกินจะนะบางทีตายขึ้นมาบางทีก็ตะลู่ยองเล่ยเป็นบ้าไปเมงวันเจว่าพัฒนาเอาไปทิ้มซะอย่าอามาจูจ้แมงสิอย่าทิ้ดเี๋ก็เอาไปทิ่มงเศ้าส แมงวันซึ่งก็ยังหูจากคนได้แทบมันบ น, นหน้าจีเป็นอยางตันเป็นจังวัดให้เราเลือกเอาดีๆเลือกเอาผู้ที่ดีมาแก้ปัญหาของเราอันนี้เป็นว่าให้เราฝังการพัฒนาของเราดีแล้วได้บุแนี้เป็นบุดีได้ดีบุดีฮอรยังว่าแก้กรุงเทพมหานครเรา น, านึ่งฮอตเมื่อเดียวคุณแม่หอยนางมือมันเดือนนึงอย่างทีฮอตนี่เป็นอยางตั น, นข้อมเร็วของมันบัต น, นี้เครื่องบินมันมาเป็นโซ่วงซะไปนี้ ลดไปเป็นหลายโซ่หมูงแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาไปถึงได้ดังนั้นความสุขของคนเนี่ยบุญเรีนวัจีวะเฮ็ดตามขั้นตาม ต, ามตอนบุญเรนเขาต้องขึ้นเครื่องบินไปไปกรุงเทพไปการหาความสุขก็เส้นเดียวกันคนมีปัญญาจึงหาได้อึดใจเดียวเท่านั้นแ mm hmm. ม่ยงวนันเออเมี่ยงวนันแต่โตนอน ว, จ ว, อวนนนอัจีว่าเม่ยงวันกี้ี่ยมันมันบุญเรียนกิมาว่าเรื่องน อ, นอนไปโตนอนจึงพัฒนาบุเปลนตายไปแล้วไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเห็นขี้เจ้าหัวไอจูกันะ เป็นอาหารดีๆวะสันเป็นไรถามผู้เสี่ยวโตไปยู่ใส่เสี่ยววะสันเยี่ยงหอกไปอยู่เมืองสวรรค์กขาเป็นเทวดาสันวะอันผู้ตกไปเห็นรถวาวให้ฝังบอก่าอันคุณค่าของเมืองสวรรค์โอ้เมืองสวรรค์มีของทิพย์เสี่ยวว่าสันอยากได้อันไหก็มีของทิพย์อันของทิพย์มันเป็นสันไหนเสี่ยวว่าสันก็ต้องนึกเอาแล้วเสี่ยววะสันอยากได้บ้านงามๆสวยๆก็ต้องนึกเอาก็ได้โลดเป็นบ้านขึ้นมาโลดบ่ตอนได้เห็ดยังเนี่ยเห็ดบ่อ คันมีเงินเนาะนึกเอาโหดจ้างเขามาให้ให้โหลเนี่ยเมือสวัสดิ์เ่ยเป็นนัสั้นอาหารดีๆเนี้คันอยากกินอาหารดีๆกะนึกเอาก็ได้โหดเสีย้ยเนี่ยมีเงินพันย่าค้านให้หู่นจักหน้าที่ของคนมีเงินน่ยสร้างเข้ามาให้รากินผัดเนื้อเอามาให้หอดบ้านพี่รหดเนี่ยเทวดาโบรางซับเอาไปร่างกัเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นว่านึกเอามันได้โหลดกันอยากได้เสื้องามๆกางเกงงามๆนึกเอาก็ได้โหลดเสี่ยวจนปลาท้อเสี้ยทุกปันได้นึกเอามันได้โหนเนี่ย มันเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดการฟังผิดไปปฏิบัติก็ผิดผลออกมากคือทุกข์การฟังแล้วใช้สติปัญญาถูกต้องผลมันก็ถูกต้องออกมาก็บทุกข์เพราะจะให้หูจักหวงเป็นคนคนมันควรได้รับหน้าที่ของความสุขเพื่อจิงว่าสำคัญมันมีอยู่ในเฮานี้เพ่นวาอย่างบาทไอ้นอนบาทก เสียวเว้ยยังไปได้นึกเอาปั่นอันนอเสร็จได้นึกเอาแล้วเสียววะาจัรเพราะมันนั้นเนี่ยโอ้เจ้าของอยู่นี่มีความสุขเสียเจี๊ยบแมมีความสุขโบได้นึกได้ฝันเลยเสียวเว่ยวะอาจารยเนี่ยนอนมันเห็นอาจารย์เห็ของสั่วเป็นของดีได้หนิมีเนี่ยโบเป็นนี่คนกะว่าสุขโบแมนเนี่ยสุขโบเป็นนี่คนแบบนั้นมานจี๊ยได้โบมีใจอาหารดีดีเสียวเหว่ยวะ่าอยู่เนี่ยโบได้นึกได้ฝันตอนเช้าตอนเย็นกลางวันแม่มัน ให้ว่าอยู่กับอาหารดีๆนี่เสียววสันนอนกันนอนดีๆนิ่มๆนอนนอนนอนอนมาเป็นคนได้เมืนบ่เป็นคนสุกซุยได้นอนขันตัวใหญ่มาได้แทะเป็นสันเขาเบิ่งแม่นอนอยู่นลงขี่งวงขี้ค่วยนะพราอเสียวว่าของดีทีอันเนียวสันของดีไม่เสียวขี้ว่าเสียวอันเนียวสัโอ้ขี้ที่เสียวอันเนียวเขาบุ้จากขี้ว่าสันโอ้ขี้ได้เสียวนี้จะเป็นของดีจังไดอเนี่ย ขี้ตีเลนคี้เม็นได้เสียวน oh, ี่เม็นที่เสียวนี่เม็นโอ้เมือสวรรด์มีขี้บริสันห์หบันนี่เอามาจิ้มมีซ้ำมาจินของทิพได้เสียวมีขี้ปาโทเสียวเลยสเฮากินขี้เว้ัสิเฮาก็ไปยุ่นในมื่โบได้เลยเมืองสวัเขาโบมีขี้ให้เฮากินเนี่ยสิหัวกกะดิบลงกองขี้อีกตื่คนคันซ่อนให้ละของซัวมันโบอยากเห็ดเพราะมันจิ้มขี้อย่าตัวอย่าเพราะว่าให้มาให้ฟังซื่อๆเลยคนซัวนั่นจีว่า มันโบดี <äd God> <ints> มันดีได้ยากจรงว่าพระพุทธเจ้าสอนสอนคนโง่โง่เนี่ยให้มันสล <sh> <world> ัดแต่มันกระยักสลาดอยู่มันหักโบยมสลาดเป็นว่าสอนคนทําซั่วซวอยู่เน่ยให้มันเลิกละจากคําคําซัวมันกระยักโบยากทาซัวแต่มันหักโบยากขมซัวมาจรงว่าคือหนอนนั่นแหละคือหนอนนั่นแหละวางให้ฟังอยู่เนี่ยมันอยากมีจากกองขี้อยู่มันหักมีจากกองขี้โบเป็นมันเข้าใจว่ากองขี้เป็นอาหารที่ดีมันเข้าใจว่า ขวมงโนั้นดีมันเข้าใจกันมันเข้าใจว่าการทําั่วนั้นดีเพิ่งว่าบัดนี้มันหนึบหูพระพุทธเจ้าจึงว่าซ่อนคนที่มีทุกข์นั้นให้มันหมดทุกข์คันถ้าคนมีปัญญาเพิ่งสอนจังสั้นพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่งซ่อนจังไหนแต่ขวมสุขมันนี้อยู่ในเฮานี้เอื้อใจเดียวเอื้อมือให้ถึงนลดเพิ่งว่าจังสั้นควมสุขด้วยใจสุขหนึ่งเฮานั่งอยู่ดีเนี่เพิ่งเอื้อจิตอันนี้เพิ่งเอื้นว่าขวมสงบ ขวมสงบกรเอิญสันติกรเอิญอุเปกขากรเอิญอยู่ซื่อๆกรเอิญจิตใจอยู่ซื่อๆกระเอิญเอาใจหายจริยาคนว่าภิกษุทั้งหลายหากประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยคำสอนของเราจตาคตุณนี้มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี่เขามานั่งอยู่เนี่ยแปลว่าเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพเจ้าให้เขามีสติรู้สึกตัวการเคลื่อนการไว้เนี่ย ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอันเนี่ยมรคนิพพานจิบาว่างจากโลกนี้นั่งฟังเนยพ่อว่าให้ฟังเดี๋ยวนี้จิตใจโบเจ้าสงบอยู่สิอันนี้ก็เป็นรสสารของนิพพานอันหนึ่งนั่งฟังโบด้วยมันคิดอยู่เนี่ยมันขึ้นมันไหวอยู่เนี่ยจิตใจมันสะอาดมันกลเห็นจิตใจมันสบายเป็นรสสารของพระเจ้าขึ้นมาสออันสามอันขึ้นมาจิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวจิตใจปกติบริสุทธิ์ดีนั่นสม บ, บูรณ์แบบและแบบเนี่ เนี่ยเอื้อมมือเอาปุ๊บได้ลดดิผ่านเนี่ยไม่เป็นไรเอาล ะ, ะที่เนี่ยเขาได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตตกิจใจเป็นครั้งสุดท้ายให้พวกเขาได้รู้ได้เห็นได้เป็นด่ดน